จากหนูอ่านหนัสือที่หลวงตาให้มาเนี่ยนะคะที่ต้นฉบับเนี่ยค่ะแล้วที่หลวงตาบอกว่าเออโดดน้ำก่อนที่จะถึงฝั่งค่ะ ขันเนี่ยเป็นเหมือนเรือแล้วหลวงตาโดดน้ำก่อนที่จะถึงฝั่งเนี่ยค่ะหมายถึงโดดอยู่ในระดับไหนยังไงน่ะอ๋อไม่ใช่อันน้เขาใจผิดหมายถึงว่าตีเขาเขาอ่านเขาไปอ่านหรือว่าฟังคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแล้วเขาใจผิดก็บอกว่ า, วาพบผู้รู้ให้ข่าผู้รู้หรือให้ทิ้งผู้รู้จะพบพระนิพพาน ประเด็นเนขาเข้าใจผิดคือก็เลยทิ้งทิ้งไปหมดเลยไม่รู้อะไรเลยทิ้งสติไปหมดไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าทิ้งผู้รู้จะได้พบพุทธานโอ้ยมันรู้คนละตัวกันนีนที่ปล่อยจะไปปล่อยหมดไปปล่อยตัวสติสเออไอสติมันต้องรู้ไว้ตัวสติปัญญาเนี่ยมันเป็นขันธ์หน้ามันเอาสายเป็นเรือข้ามฟาไปปล่อยหมดได้ยังไงพุรุเจ้าตัดว่าให้เอาสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นเรือข้ามฟ้า แล้วเรือข้ามฟ้าไปถึงฝั่งพนิพาลแล้วเราก็ลงเรือแล้วเราก็ไปแล้วก็เป็นพนิพานไปเรือนั้นก็ไม่ไม่เอาไปใช้ไม่มีใครคิดทําลายเรือเราแลมันก็เรือก็ปล่อยทิ้งไปเองไม่แบกไม่มีใครแบกเรือไปด้วยแต่นี่เราเนี่ยยังไม่เป็นนิพาลเลยอ่ะแล้วเราไปทิ้งสติได้กลางทางคือมุกจมน้ําตายเะไรวะมันสระเรือแล้วโดดเรือลงน้ำมุกจมน้ําตายอ่ะหมายถึงว่าพอเราเป็นนิพานแล้วมารู้ว่าเราเป็นนิพาลแล้วเนี่ยสติวะ ที่เราคอยสังเกตไว้เนี่ยมันก็ไม่มีแล้วมันก็หายไปเองอันที่ก็ปล่อยก็คือปล่อยวิญญาณอาคารในจิตหรือวิญญาณอาคารที่มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้รู้เพราะว่าวิญญาณอาคารเนี่ยมันต้องรู้ตามทวารรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็รู้ทางใจรู้อาการของใจแต่ใครเราเป็นคนรู้อ่ะรู้อะไรถามอะไรเข้าประเดนอะไรก็บอกว่าใครรู้กว่าเราเปนคนรู้ใครควได้ยินอ่ะก็เราอ่ะคนได้ยิ น, น, ค น, ยนใครได้กินนอ่ะใครจะได้กิ่นก็เราควรได้กินใครรู้รสอ่ะ คนไหนจะเป็นรู้รสหรือเรากินเองเราก็ต้องเป็นคนรู้รสเราเลยเป็นคนรู้รสใครเป็นคนรู้สัมผัสล่ะเราก็เราเป็นคนรู้สัมผัสใคระรู้อาการของใจรู้ความรู้สึกสะบะโป่งโล่งเบาสบายความรู้สึกว่างๆความรู้สึกไม่โป่งไม่โล่งไม่เบาไม่สบายไม่ว่าใครเป็นคนรู้อยู่อ่ะเราเนี่ยดิ้นรนกุกกะกุกกะกจะใจอาการไม่สบายใจหายไปจะเอาอาการที่สบายใจไว้ใครเราเป็นคนรู้ถามอะก็เราเป็นคนรู้อาการนั้นแล้วดิ้นใหญ่เลยดิ้นจะเอาอาการที่ จะไปเอาจิตดีจิตไม่ดีไม่เอาแ ล, แล้วใครเรารู้ว่าเราคิดเราแอบคิดอะไรกับใครคิดมันในในใ่นคิดนี้คิดนั้นแอบคิดอะไรกับใครคิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาปคิดกุศลนักกุศลใครเรรู้ว่าเราแอบคิดอะไรอยู่ในใจก็เราเองแหละเราเป็นคนรู้ไอ้ที่ถามอะไรกันเรารู้เรารู้เรารู้ไอ้เรารู้เนี่ยเป็นจิตหรือวิญญาณขาคารในจิตหรือวิญญาณขาคารเนี่ยมันมันไม่ปรากฏอาการให้เห็นให้ปรากฏ ตัวมันเองแท้มันจะไม่ปรากฏอะไรเพราะว่าธรรมชาติมันสร้างมาให้ให้มีหน้าที่รู้ดังนั้นมันไม่มีหน้าที่จะถูกรู้เพราะมันเป็นธรรมชาติสร้างมันใาเพื่อรู้เพราะว่าธรรมชาติสร้างวิญญาณขันมาเพื่อให้รู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็รู้อาการของใจแต่ละครเราจะกลับด้านคือเราจะเอาขันห้าซึ่งเป็นความสามารถในขันห้าทั้งหมดไปไปหาวิญญาณขันไปหาผู้รู้ มันหาไม่เจอหรอกเพรมันกลับได้ไอ้วิญญาณขันมันมีหน้าที่รู้รู้ขันห้าแล้วก็รู้รูปรสกลิ่ลนเสียงสัมผัสแล้วมีหน้าที่รู้ขันห้าแต่เราจะกลับเอาไว้ไอ้ขันห้าไปรู้วิญญาณขันเนี่ยมันเลยรู้ไม่ได้ใครก็เอ้แล้วมันไม่เห็นผู้รู้ไม่เห็นไอ้วิญญาณขันนะก็ถูกวิญญาณขันมันไม่มันไม่เห็นมันได้หรอกเอามันไม่เห็นแล้วจะปล่อยวางได้งไงเอาก็วิญญาณขันเนี่ยที่พระพิธรรมท่านว่า วิญญาณขันธ์หรือจิตเนี่ยจิตหรือวิญญาณขันธ์เนี่ยมันทำงานร่วมกับเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตอจิตเจตสิกเนี่ยมันทํางานร่วมกันแล้วนั้นเวลาพอวิญญาจิตวิญญาณขันธ์เนี่ยมันไปรู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ธรรมารมณ์เนี่ยมันก็ต้องมีความรู้สึกว่าเออถูกใจหรือไม่ถูกใจหรือไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจมันจะต้องส่งต่อเวทนาแลแล้วมันจะต้องมี สัญญาความคิดคือมันต้องคิดตรองชุกชิกชุกชกชุกชกอะไรกับสิ่งนี้มันรู้เนี่ยคือคล้ายๆเหมือนกับพูดอยู่คนเดียวภาคอยู่คนเดียวในใจเพราะมันรู้อะไรเนี่ยมันจะต้องภาคอยู่ตลอดเวลาในใจของเรานี่คือมันเป็นธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติของจิตหรือวิญญาณขาคารเนี่ยต้องทํางานร่วมกับเจตสิกคือเวทนาสัญญาสั้งขานคือมันเลยมีความรู้สึกอย่างไรต่อต่อที่มันภาคต่อที่มันไปรู้มันก็เลยภากคิดมันพาก็คือมันมันมันคิดตตรองคิดติดตรองหรือ หรือคิดไปตกวิจารณ์หรือภ า, หอาคหรือมันภาคมันพูดพูดอยู่คนเดียวภาคอะไรอยู่ในใจหรเวลาตามมองเห็นตามมองเห็นดวงตาเนี่ยหูดินเสียงดวงตาเนี่ยเราเวลาเราสังเกตดูเวลาเราเราไปรู้อะไร ต, ต่างตาทางหูทางจมูกทางลินทางกายรู้อาการทางใจเนี่ยเราอย่าไปสนใจสิ่งที่ถูกรู้เวลารูปเนี่ยอย่าไปสนใจรูปเวลาเสียงอย่าไปสนใจเสียงเวลากินอย่าไปสนใจกิน เวลาไปได้สัมผ si, ัสรถอย่าไปสนใจรถเวลาสัมผัสทางกายอย่าไปสนใจทางกายเวลามีอาการทางใจอย่าไปสนใจแต่อาการทางใจให้สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจสังเกตที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจให้สังเกตดูวิญญาณขันนะจิตหรืใจหรือวิญญาณขันเนี่ยมันมันพากหรือมันพูดอย่างไงอยู่ในใจตลอดเวลาอย่าไปสังเกตสิ่งที่ถูกรู้เพราะว่าสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยเราปล่อยวางหมดแต่เราไม่ได้ปล่อยวางวิญญาณขันเนี่ย เราก็จะไม่ปล่อยวางเวทนาสัญญาสังขารไปด้วยเพราะว่าจิตวิญญาณขันนี้มันทำงานร่วมกับเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเราโมจะไปดูสิ่งที่ถูกรู้เราจะไม่ปล่อยวางให้ผู้รู้เลยเราไม่เลยปล่อยวางถึงวิญญาณขันขันห้าเราปล่อยวางไม่หมดถ้าเราปล่อยวางแต่สิ่งที่ถูกรู้เราไม่ปล่อยวางผู้รู้เราเลยจะปล่อยวางวิญญาณขันไม่ได้เลยเราเลยไม่สามารถที่จะละอุปทานขันห้าไปสู่ปณิพนัชได้ นั่นถ้าเราละแต่ถึงที่ถูกรู้เราตัวเราไปรู้อะไรกันละแต่สิ่งที่ถูกรู้ละอาการที่ถูกรู้ละแต่สิ่งที่ถูกรู้ละแต่อาการที่ถูกรู้แต่ไม่ละตัวเราผู้รู้ในตัวเราผู้รู้ก็คือที่ว่าเรารู้อะไรจะรู้สึกกับตัวเราเป็นผู้รู้อันนี้คือจิตหรือวิญญาณอคต์แต่ตัวตนมนันเนี่ยเรามองมันไม่เห็นหรอกเพราะเราไม่สามารถย้อนเอาขันห้ามันดูด้วยวิญญาณอคติได้เพราะวิญญาณธรรมชาติมันสร้างให้เป็นผูร้รู้แต่เรารู้มันได้ยังไงอะ ก็มันรู้ได้เพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าตัวเราเป็นคนรู้แล้วตัวเราก็เป็นคนพูดเป็นคนคิดเป็นคนตึกตองเพราะมันทํางานคุณุบัติมันที่ดีคือมันทางานร่วมกับเจตสิกคือเวทนาสัญญาตังขานได้เรารู้เหมันได้ตรงนี้เนี่ยตรงที่ว่ามันทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งมีอารมณ์ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งมีอารมณ์มันก็เลยท่นละเนี่ยละตัวที่พูดทั้งรู้ทั้งคิดทั้งไอ้พูดทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งมีอารมณ นี่ลงไปเลยทั้งตัวเลยตัวเราเนี่ยละตัวเราทั้งตัวที่ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งมีอารมณ์ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งมีอารมณ์เนี่ยละตัวเราที่เนี่ยที่มันไปรู้แล้วมันจะทั้งรู้ทั้งคิดทั้งมีอารมณ์ทั้งมีความรู้สึกเนี่ยละมันทั้งตัวปล่อยวางมันทั้งตัวตลอดเวลาเราจะปล่อยวางได้ไงก็ปล่อยวางอะไรก็เพราะว่าเห็นว่ามันเป็นขันห้ามันเป็นวิญญาณขันทํางานล่วงกวบเจตติคือเวทนาสัญญาสังขารซึ่งก็เป็นขันห้าถ้าเราปล่อยวางให้รู้เี่ย ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งรู้สึกทั้งรู้ทั้งมีอารมณ์เนี่ยเราปล่อยวางตัวเราผู้รู้ที่ผู้ผรู้ที่คิดได้พูดได้วิพากวิจาร์ได้เนี่ยปล่อยมันไปทั้งยวงเลยปล่อยมันหมดเลยโยนทิ้งให้หมด <S <S 1> <S 1> เห็นหมดรู้หมดปล่อยวางหมดตลอดเวลามันก็แบบปล่อยวางอุปทานขันห้าไปได้หมดสิ้นก็จะบรรลุนิพพานก็จึงเวลาพระพิธพีทางพุทธิมณีรูปจิตเจต ส, สิกนิพพานเอานรูปก็คือร่างกายจิตก็คือวิญญาณวิญญาณขัน เจตสิกก็คือเวทนาสัญญาสังขาร น, นั้นรวมแล้วรูปจิตเจตสิกก็คือขันธ์ห้าปล่อยวางขันธ์ห้าหมดก็เลยนิพพานเลยมีนิพพานอีกตัวหนึ่งคือจิตที่พ้นทุกจิตที่พ้นจากขันธ์ห้าจิตที่ปล่อยวางขันธ์ห้าเป็นจิตที่บริสุทธิ์เรียกว่านิพพานถึงจิตที่บริสุทธิ์จิตที่พ้นจากทุกนั้นเราต้องปล่อยวางไในตรงตรงผู้รู้ตัวเราผู้รู้ เราจะไปสนใจอาการที่ถูกรู้อย่าเอาตัวเราไปดั้งดูความคิดเี่มันคิดอะไรเลยทําไมมันเฉยทําไมมันนิ่งทำไมมันไม่ว่าทําไมมันไม่คิดทําไมมีอารมณ์ก็เห็นมันจะว่างดีอาจารย์แล้วรยได้ปล่อยวางอะไรมันก็ว่ามันนิ่งก็เฉยก็ปล่อยวางผู้รู้นี่ไงเราจะเอาเอาตัวเราไปปล่อยวางอย่างอื่นเราจะเอาตัวเราไปดูแต่นิ่งจะเฉยเห็นตัวเราเนี่ยตัวเราผู้ไปรู้แล้วมันคิดตึกตักตึ๊กตักเหนือใจไอ้ผู้รู้เนี่ยก็คือไอ้นี่ยตัวเราผู้รู้เนี่ยมันคือขันห้าคือวิญญาณอคันคือจิตวิญญาณอัน เราปล่อยวางตัวเราผู then, ้รู้ตลอดเวลาผู้รู้ตัวเราผู้รู้มันจะมีตัวเราผู้รู้ตัวเราผู้คิดตัวเราผู้รู้สึกตัวเราผู้มีอารมณ์เพราะเรารู้อะไรตัวเราก็จะเป็นผู้ผู้รู้ผู้คิดผู้รู้สึกผู้มีอารมณ์เองอะเพราะเรารู้อะไรเราก็ต้องเป็นผู้รู้ผู้ผู้รู้สึกผู้คิดผู้มีอารมณ์เองปล่อยวางตัวเราเลยทั้งหมดเป็นทั้งตัวเลยเพราะอเราปล่อยวางหมดตัวเราหมดเมื่อไหร่ก็นิพานคือพ้นจากทุกจิตที่พ้นจากทุกนั้นจิตที่พ้นจากทุกเนี่ยไม่ใช่ขันธ์หน้าไม่ใช่วิญญาณขันธ์ แต่ผู้ที่จะมาสังเกตเห็นว่าไอ้ตัวเราเนี่ยผู้รู้ไปรู้อะไรแล้วมันจะต้องวิพาควิจารณ์ถ้าเราไม่ไปสนใจสิ่งที่ถูกรู้ทุกขณะปัจจุบันเราสังเกตแต่ตัวเราผู้ไปรู้ไปรู้ตลอดเวลาเราก็จะเห็นวิญญาณอาคารที่มันพูดได้บนได้คือตัวเราเนี่ยเราไม่ไปเห็นว่าจริงหรือเราจะรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยตัวเราในที่เป็นผู้รู้ตัวเราเป็นผู้รู้ตัวเราเป็นผู้รู้ตัวเราเป็นผู้คิดตัวเราเป็นผู้รู้สึกตัวเราเป็นผู้บ่นในใจเนี่ยถ้าเราดูแต่ตัวเราดูตัวเราตัวเราตัวเราเนี่ย เราปล่อยวางตัวเราไปเรื่อยๆทุกขณะปัจจุบันที่เราไปรู้อะไรเนี่ต้องตัวเราเป็นผู้รู้ตัวเราเป็นผู้คิดตัวเราเผูรู้สึกตัวเราผู้มีอารมณ์เราปล่อยวางตัวเราไปเรื่อยๆที่จุดปล่อยวางเส้นหมดเพราะอะไรเราปล่อยวางมันได้เพราะเราเห็นว่ามันเป็นวิญญาณขานธ์ทำงานร่วมกับเจตสิกถ้าเราปล่อยตัวเราทั้งหมดมันก็เลยปล่อยวางขันธ์ห้าทั้งหมดแต่ตัวที่มาสังเกตเห็นอย่างนี้ใครเป็นผู้สังเกตเห็นไอ問問้นี่คือตัว ส, สติปัญญาตัวสมาธิสติปัญญาในขันธ์ห้าที่เรายืมมาใช้เพราะงนั้นเราทิ้งตัวสังเกตไม่ได้ง ถ้าเราไม่สังเกต์อ right. <me>. ่ะไม่สังเกตไว้แล้วใครมันจะเห็นอ่ะถ้าเราไม่สังเกตไว้ที่ที่ไอตัววิญญาณขันหรือตัวเราเดี๋ยวตัวเป็นผู้รู้เนี่ยแล้วใครมันจะรู้ล่ะเราต้องไอ้ออยตัวเนี่ยไอตัวสติปัญญาเนี่ยตัวสติปัญญาในขันหน้าเนี่ยเป็นตัวสังเกตไว้ตลอดเวลาสังเกตไว้อะไรก็สังเกตไว้ที่ตัวเราผู้รู้นี่เนี่ยตัวเราผู้รู้อะไรตัวเราก็เป็นผู้คิดผู้นึกผูดตื่นผู้ตอบผู้พูดแต่งพอตัวเราเป็นผู้รู้ตัวเราคนผู้บ่นเองเป็นผู้พูดเองผู้คิดเอง ไอตัวใครรู้ใครจะมารู้ได้หรอก็ตัวสตินี่แน่อาศัยสตินี่แน่เป็นตัวรู้เพราะฉะนั้นไอสติเนี่ยมันวางไม่ได้ถ้าสติมันรู้จนหมดเลยแล้วก็ปล่อยวางตัวเราจนหมดเนี่ยสติอ่ะมันไม่ขาดวัคขาดตอนมันรู้ตัวเราแล้วปล่อยวางตัวเราตลอดเวลารู้ตัวเราปล่อยวางตลอดเวลารู้ตัวเราตัวไหนอ่ะรู้ตัวเราบางคนถามว่าตัวเราอยู่ตรงไหนแล้วรู้ตัวเราตรงไหนอาจารย์ถาถามอยู่เรื่อยเลยว่ารู้ตัวเราแล้วรู้ตรงไหนรู้ตัวเราอ่ะ ไอตัวเราผููไปรู้แล้วมันรู้อะไรแล้วมันคิดมันตึกมันตอมันบ่นเนี่ยทั้งรู้ทั้งคิดทั้งนึกทั้งตึกทั้งตองรู้แล้วก็มีความรู้สึกแเรารู้เรามีอารมณ์ไอตัวเรานี่แน่รู้ว่าตัวไอตัวที่มันคิดได้พูดได้บ่นได้ตัวเรานี่แนะที่มันบ่นอยู่ในใจพูดอยู่ในใจรู้อะไรมันบ่นในใจพูดในใจนี่คือรู้ตัวเราใช่ปะเรบอกรู้ตัวเราแล้วรู้ทําเหมือนกับว่าก้มหัวลงไปมองอยู่ในตัวเราอาจารย์รู้ตัวเราก็รู้ที่ไหลมีแต่ว่างตลอดเลยเนี่ยทําแบบเนี้ยออ เราเห็นเนี่ยทำอย่างเงี้ยตัวเราเนี่ยทําบอกรู้ตัวเราแต่ท so ําแบบรู้แบบว่าแค่ก้มหัวเข้าไปมองดูตัวเราเลยเห็นแต่ความว่างเห็นแต่ความไม่มีอะไรก็เอาเอาก้มหัวทําเหมือนเอาก้มหัวมองไปดูตัวเราเลยเห็นแต่ตัวเรามีแต่ความว่างตัวเราไม่มีอะไรแต่ไอผู้รู้จริงๆมันอยู่ตรงไอคนที่ก้มหัวลงเนี่ยที่ก้มหัวลงแล้วไปมองดูตัวเราแล้วมันพูดเนี่ยมันพูดได้คิดได้ติ๊กตองได้เราไม่เรามองผิดตัวเห็นผิดตัวเห็นไอตัวที่มันก้มหัวไปมองเรามันพูดไปยังไงอแต่มันพอบอกให้รู้ตัวเรา กอาตัวเราเนี่ยเขาไป ม, มองอยู่ในตัวเราเห็นแต่ความว่างแล้วไม่เห็นว่าตัวเราคิดหลายคนปฏิบัติก็เป็นอย่างนี้นะแล้วมาหาเราในางทีเหมารถตู้มาเป็นคันๆเลยแล้วก็มาไมา้เราดูบอกว่าอาจารย์ไม่เชื่อดูดิใจว่างเปล่าใจว่างเปล่ามาเลยอาจารย์ว่างเปล่าอะไรอุตส่าห์เหมารถตู้มาจากกรุงเทพตั้งไกลไปถึงจันทบุรีตั้งหลายกิโลแล้วนั่งรถตู้ไม่คิดเหรอเนะว่างอะไรมันคิดบนตลอทานเดี๋ยวแอาจารย์ รับรองไหมว่างแล้วว่างแล้วจดยให้อาจารย์รับรองมันเอาไอ้ตัวคิดเนี่ยไปรู้ไ้ความรู้สึกว่างมันเลยไม่เห็นไอ้ตัวที่คิดเพราะน้อตัวที่คิดได้เนี่ยไอ้ตัวที่รู้ที่มันคิดได้บนได้พูดได้มันไปดูความว่างมันเลยไม่เห็นตัวมันเลยมันเอาตัวมันไปดูไปดูความว่างเลยไม่เห็นกัแต่ความว่างทำแบบเนี้ยหลายคนปฏิบัติแบบนี้นะ เอาความคิดไปไว้ท him, ี himself, is, himself, like says, ่สมองแล้วสมองก้มหน้ามาดูใจตัวเองภายในตัวตัวเองบอกให้ดูตัวเองดูตัวเองเลยเอาเหมือนทําเหมือนเอาก้มหัวมาดูตัวเองอาจารย์มันว่างอยู่ตลอดเวลามันเฉยตลอดเวลาไม่เอ็มันตั้งแต่ว่ามาวานก็พูดอยู่อย่างเงี้ยว่างอยู่ตลอดเวลามันนี่มันเฉยไม่เมันคิดอะไรเลยไม่เห็นมันคิดอะไรเมื่อวานนี้เราก็บอกแล้วก็ใครพูดอยู่นั่นนะไม่เห็นเลยนะว่ามันว่างตลอดมันว่าตลอดเวลาไหนอาจารย์บอกว่ามันมันคิดหนูไเองนมันคิดอะไรมันเฉยมันเฉย แล้วไม่เห็นไอ้ตัวเราเนี่ยพูดอยู่เนี่ยพูดว่ามันเวิกมันว่ามันนิ่งมันเฉยตลอดเวลาเลยไม่เห็นมันคิดอะไรเลยทําไมอาจารย์บอกว่ามันคิดดูคิดหูคิดหูคิดเนี่ยเราไม่เห็นว่าตัวเองคิดอยู่แต่ตัวเองเราบอกปุ๊บตัวเองก็ตัวเองไปดูไปดูแห็นตัวเองเองไปไปดูตัวเองก็เลยเห็นตัวเองว่ามันไม่ได้คิดอะไรเอ้าขอให้ตัวคิดไปดูล่างกายร่างกายมันเลยไม่คิดเลพราะไม่เอาไอ้ตัวคิด่ไปดูร่างกายซะแล้วมันก็เลยไม่เห็นร่างกายไม่คิดเอ้าแต่ตัวคิดมันอยู่ไอ้ตัวดูมันอยู่ตรงที่บูดูผู้รู้เนนี่ยมัตคิด มันเห็นใ้ตัวนี้ต่างหากแล้วมัวางให้ตัวนี้มันก็เลยพ้นทุกข์แต่มันเอาไอ้ตัวผู้คิดผู้ดูเนี่ยเอามาดูร่างกายซะแล้วมันก็เห็นร่างกายไม่คิดเฉยเฉยเอาก็มันเอาอ้ตัวคิดมาดูร่างกายร่างกายก็เลยเฉยเนี่ยแต่จริงเน่ยไอ้ตัวที่ดูไอ้ตัวที่คิดเนี่ยมันเป็นจิตหรือวิญญาณตัวในร่างกายมันเป็นร่างกายคนละส่วนกันอันนี้มันรูปขันไอ้ส่วนเวทนาจัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นตัวผู้ดู ส่วนร่างกายมันเป็นแก้รูปปะขนันได้เฉยๆขันเดียวแค่นั้นแน่แล้วมันจะไปคิดอะไรได้แต่เราเอาไว้เวทนาสัญญาสังขารเนี่ยที่เป็นจิตหรือวิญญาณาขันเนี่ยทา ง, งานร่วมกับเจตสิกเนี่ยมาดูไอ้ร่างกายจะแล้วแล้วมันจะเป็นในร่างกายคิดได้ยังไงเพราะว่ากระบวนการคิดมันไปอยู่ที่ เ, เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไปอยู่ไปทํางานร่วมกันที่นั่นแต่แล้วคือจิตจะมันทำงานร่วมกับวิญญาณาขันแล้วไอ้วิญญาณขันเนี่ยมันทำงานร่วมกับเจตสิกเนี่ยคือจิตหรือวิญญาณาขันนีนมันคืออันเดียวกันชื่อเดียวกัน แต่จิตหรวิญญาณอคติเนี่ยมันทำงานร่วมกับเจตติกคือเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็ส่งต่อวิญญาณตัวตนต่อไปให้รับรู้แล้วเราคิดโดยเด็กขันห้าเนี่ยส่วนนามขันเนี่ยมันมาเป็นผู้ดูมันมารวมที่ไอ้ผู้ดูทั้งหมดไอ้ผู้ดูผู้รู้ทั้งหมดแล้วนี่ที่มันทํางานร่วมกันในขณะที่มันไปรู้อะไรเนี่ยต้องตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะมันเอาไว้ส่วนเวทนาสัญญาสังขารมาทํางานร่วมกับไอ้จิตหรือวิญญาณอคติเนี่ยในทุกขณะจิตที่มันไปรู้ไปเห็นแล้วมันเหลือตัวเดียวคือ ตัวร่างกายที่ถูกดูเอามันเอาไอ้ตัวไอ้ตัวผู้ดูผู้รู้อีกนามอาคารนั้นรวบไปไม่หมดแล้วไปดูที่ตัวร่างกายแล้วร่างกายจะไปคิดอะไรก็เห็นแต่ความนิ่งเฉยว่างเพราะมันไอ้ร่างกายมันคิดไม่เป็นแล้วเพราะมันรวบเอาไอ้เวทนาสัญญาสั้งขันอีกฝีกันไปรวมไ้ที่ผู้รู้แล้วผู้รู้มาดูไอ้ร่างกายมันก็เห็นแต่ร่างกายนิ่งๆว่างๆนะปฏิบัติงานเนี่ยที่บอกว่าให้รู้ตัวเรารู้ตัวเรารู้ตัวเราแต่มันก็ทําแบบเอาไอ้เวทนาสัญญาสังขานวิญญาณเนี่ยเอารวบมาดูร่างกายเลยรู้ตัวเราเอาาาามดูรร่งงกยจิๆ โอ้ยไม่ใช่แบบนี้แล้วเราไม่จะแบบบอกปล่อยวางผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้แล้วปล่อยวางไปเลยไม่รู้อะไรเลยอยู่นานๆไม่รู้อะไรเลยไม่ใช่นะปล่อยวางผู้รู้คือไอ้ผู้รู้คือไอ้วิญญาณอคติเนี่ยจิตหรือวิญญาณอคติเนี่ยที่มันรู้ทํางานโลกจิติสิกเนี่ยมันก็จะรู้อะไรไม่ต้องคิดติดตองคิดต่อตองแต่ไม่มีใครไปยึดมันแต่ตัวรู้ก็ค uh ือตัวสติอ oh ่ะที <t os> <t os ่ต้องรู้มันตลอดเวลาอืที่ต้องต้องรู้มันตลอดเวลาสติมันทิ้งไม่ได้เพราะอะไรสติเป็นตัวสังเกตเห็นนะ ปรเด็นอะไรก็ต้องเห็นเห็นว่าไอ้จิตหรือวิญญาณอคติเนี่ยมันรู้อะไรมันพูดได้บทได้ตลอดเวลามันทิ้งตติไม่ได้พอทิ้งตติแล้มันไม่รู้อะไรเลยแล้วไอ้ตัวที่เราต้องไป่อวางเนี่ยก็คือไอ้ตัววิญญาณอคติที่ทำงานรื่องประจิตติเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้คือผู้รู้ตัวเนี้ยตึเป็นวิญญาณอคติเนี่ยจิตวิญญาณอคติผู้รู้ตัวเนี้ยจะต้องถูกปล่อยวางหรือที่หลวงปู่ดูลอัตุโลเ้คําว่าพบผู้รู้ให้ฆ่าผู้รู้คือไฆ่าตัวนี้เนี่ย ไอ้ตัวจิตหรือวิญญาณนักขันเนี่ยที่ทำงานร่วมกับเจตติกเวทนาสัญญาทังขานวิญญาณเนี่ยเราต้องเห็นมันสัก่อนว่าไอ้ผู้รู้คือตัวเรานี่ยรู้อะไรทางตาอุจจุมูลิ้กาใจเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าตัวเราเป็นคนรู้แล้วตัวเราน่ะคิดติกต่อบพูดได้บ่นได้ผู้หยุดวิภาวิจารณ์อยู่ในใจไอ้ตัวเนี้ยเราเห็นมันสัก่อนเราลืมปล่อยวางมันได้ถ้าเราไม่เห็นจะปล่อยวางไงท่านเลยใช้คําว่าพบผู้รู้มันต้องพบสัก่อนคือไปเห็นมันสักก่อนคือเห็นตัวเราพูดได้บ่นได้ แต่ถ้ามันเอาไว้เวทนาสัญญาทั้งขานวิญญาณเนี่ยคือฝ่ายนามขันทั้งหมดเนี่ยเอามาดูร่างกายเนี้ยมันก็เห็นแต่นิ่งๆเจ๋อเจ๋ออ่ะมันจะไปเห็นอะไรมันก็ปล่อยวางอะไรไม่ได้มันต้องปล่อยวางให้ผู้รู้ไอ้ผู้รู้ที่มันคิดตึกต้องได้พูดได้นี่นะคือจิตหรือวิญญาณขานเนี่ยมันทำงานรู้กับเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขานมันคิดเลยมันรู้อะไรมันเลยคิดได้บ่นได้พูดได้วิเคราะห์วิจารณวิจัยได้รู้อะไรเป็นอะไรได้ พอพบตัวเนี้ยอ๋ อ, อมันเป็นขันท่านี่นะผู้รู้ตัวนี้มันเป็นขันน่ามันเลยปล่อยวางเลยคําว่าปล่อยวางคือไม่ยึดไม่ยึดถือเอาตัวเราเป็นผู้รู้เป็นตัวเป็นตนจริงๆจังๆเลยเลยปล่อยวางตัวเราผู้รู้ไปได้เรียกว่าพบผู้รู้ฆ่าผู้รู้เอแต่บางคนเข้าใจว่าคือไอ้ผู้รู้ตัวนั้นคือตัวสติที่มาคอยสังเกตเห็นไว้เลยปล่อยวางสติเลยตอนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลย มันผู้รู้พนละตัวกันไอสติตัวนี้มันตัวสังเกตมันต้อสังเกตเอาไว้่อยสติตัวนี้มันมีสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดธรรมขาดสติหายสมาธิหายปัญญาหายธรรมหายสติมีสมาธิมีปัญญามีธรรมมีสติเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเป็นพันนิพานโอ้สติเป็นมหาสติแล้วสติมันจะหายยังไงจะเป็นมหาสติอ่ะคือมันรู้แจ้งหมดรู้รู้อะไรหมดแล้วหรือว่าอะไรเป็นอะไรก็ปล่อยวางหมดไม่ยึดอะไสักอย่างเดียว พอมาถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยถึงใจที่ไม่รู้ไปเข้าไปถึงใจที่ว่างเปล่าที่ไม่ยึดอะไรไอ้ตัวส ต, ต, ติที่เป็นตัวสะเกตไว้มันก็หายไปเพราะว่ามันไปนถึงใจที่ไม่ยึดอะไรแล้วมันเข้าถึงใจที่ว่างเปล่าแล้วสติมันก็เลือนสติสมาธิปัญญาก็เลือนหายไปไอ้ตัวเนี้ยพอเรือเนี่ยใช้ข้ามฝากไปถึงฝั่งพระ น, นิพพานแล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้เรืออีกต่อไป